ตอนที่หนึ่งร้ศาสตราจารย์เจียงสั่งได้ดังใจตอนที่หูหญินเท่าหยวนเดินลงมาข้างล่างมือของนางยังคงกุมมือหลี่หวันไว้ไม่ยอมปล่อยเสียหวันต่อไปเจ้าจงคิดเสียว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองอยากมาเมื่อไหร่ก็มาได้ทุกเมื่อเดี๋ยวข้าจะให้คนจัดห้องหับไว้ให้เจ้าห้องหนึ่งเจ้าต้องมาพักค้างคืนเป็นเพื่อนข้าบ่อยๆนะได้สิคะขอเพียงคุณย่าไม่รําคาญหนูเสียก่อนก็พอคะ่ะจะเป็นไปได้อย่างไรหูยินเท่าหยวนตบลังมือหลี่หวนันเบาๆอย่างอารมณ์ดีต่อให้ย่าจะรําคาญคคนนนนนออื่่่่่แแตยาาาาาไมมีทงรํญเจ้ ท่านใน่ร่างกายของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะอสศัยหยวนรี ก, ก้าวเข้ามาถามถ่ายหมายจะประจบเอาใจแม่สามีทว่านางกลับประจบไม่ดูเวล่ำเวลากลายเป็นวเตะเข้าที่ตอเข้าอย่างจังร่างกายข้าเป็นอย่างไรเจ้าไม่ต้องมายุ่งหรอกหูหยินเท้าหยวนถลึงตาใสสองสามีภรรยาบ้านรองอย่างไม่สบอารมณ์ที่ตอนนี้นางสุขภาพไม่ดีทั้งหมดก็เป็นเพราะตอนที่คลอดเจ้าจลูกชายคนที่สองนี่แหละช่างเป็นตัวซวยจริงๆอารองหยวนและอสภัยหยวนทั้งคู่ถึงกับยืนอึ้งทําอะไรไม่ถูก ไม่ใช่สิเมื่อครู่ตอนที่หญิงชราเดินขึ้นไปข้างบนยิงดูอารมณ์ดีอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงได้มีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนี้หลิหวานต้องแอบพูดจาให้ร้ายพวกตนในห้องแน่ๆ่ท่านในร่างกายของท่านกับท่านพ่อยังแข็งแรงดีอยู่ครับต่อไปท่าได้กินผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพพวกนี้เข้าไปอีกรับรองว่าต้องอายุยืนหมื่นปีแน่นอนอารองหยวนเอ่ยถึงผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพที่ลูกชายของเขาซื้อมาให้พูดเท่าทั้งสองอีกครั้งหมายจะโอ้อวดอีกรอบ ท่านปู่ยวนท่านย่ายวนค่าร่างกายของพวกท่านในตอนนี้ไม่ควรทําผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพพวกนี้เลยค่ะหลหวันขมวดคิ้วพรางเอิด้วยน้ําเสียงจริงจังของพวกนี้ผลิตมาเพื่อให้เข้ากับร่างกายของคนต่างประเทศค่ะหากพวกท่านอยากทําผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพหลักก็สู้เพิ่มวิตามินหรือแคลเซียมอัดเม็ดในมื้ออาหารทั้งสามื้อยังจะดีเสียกว่าของพวกนี้หากทานเข้าไปมีแต่จะสร้างภาระให้ตับและอาจทําให้เกิดโรคสาสูงความดันสูงไขมันสูงน้ําตาลสูงได้นะคะ ลิวานเอ๋อพลางหยิบกระป๋องผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพขึ้นมาหนึ่งกระป๋องราวกับเกรงว่าพวกเขาจะไม่เชื่อนางชี้ไปที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษบนนั้นให้พวกเขาดูคำนี้มีความหมายว่าไขมันแค่สําหรับผู้สูงอายุแล้วอาหารทั้งสามืม้อต้องเน้นน้ํามันน้อยเกลือน้อยแล้วจะทานไขมันเข้าไปเพิ่มได้อย่างไรกันคะผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพจากต่างประเทศใช่ว่าจะดีเสมอไปแน่นอนว่าของในประเทศเราก็มีแต่เราต้องเลือกเสริมสารอาหารตามสภาพร่างกายที่แท้จริงของตนเองจะทานมั่วซั่วไม่ได้นะคะ ท่านผู้เทยวนทำทีเป็นมองตามนิ้วที่หลีหวานชี้ไปยังคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นถึงอย่างไรเขาก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ในเมื่อหลีหวานพูดเช่นนี้เขาก็จะไม่กินมันแล้วเจ้าพูดเหลวไหลยอย่ามาดูหมิ่นผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพที่ข้าซื้อมานะหยวนจี A ้เย่ถลึงตาชี้หน้าต่อว่าหลีหวานที่สอดไม่เข้าเรื่องนังเด็กนี่เห็นชัดๆว่ากำลังช่วยพูดห้หทยวนเศร้าเหงิงหนูจะดูหมิน่นหรือไม่ท่านปู่ท่านย่าลองไปหาคนที่รู้ภาษาอังกฤษามาถามดูก็ได้ค่ะ หนูได้ยินอาภัภายบอกว่าพวกพี่ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกันมาไม่ใช่หรือคะหรือว่าพวกพี่ไม่เข้าใจว่าคำศัพท์คํานี้หมายความเมื่ออย่างไรหลิหวันแบมือถามกลับอย่างไม่อ้อคมค้อมหากพวกพี่ไม่เข้าใจความหมายแล้วพวกพี่จะไปต่างประเทศเพื่ออะไรกันแต่ถ้าพวกพี่เข้าใจความหมายนั่นก็แปลว่าพวกพี่จงใจจะทําร้ายร่างกายของผู้เท่าทั้งสองท่านปู่ท่านย่าควรจะมีอายุยืนยาวได้ถึงร้อยปีแต่หากถูกพวกพี่ขยันป้อนผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพมัวมวแบบนี้ร่างกายคงได้พังคลายลงก่อนเวลาอันควรแน่ เมื่อได้ยินเช่นนั้นแววตาของท่านผู้เท่าหยวนก็ยินเยียบลงนา่งกว่าสายตาคมปราบมองไปทางหลานชายเฮไปต่างประเทศมาเพื่ออะไรกันขานเงินที่บ้านไปตั้งเท่าไหร่กลับรู้ดีแต่เริ่มไปก่อปัญหาข้างนอกแม้แต่คําศัพทพื้นฐานแค่นี้ยังไม่รู้จักสู้เด็กที่อายุน้อยกว่าเจ้าก็ไม่ได้เข้าว่าเจ้าไปเรียนเสียเปล่าจริงๆอารองหยวนรีบพูดแก้ตัวให้ลูกชาย ท่านพอจี้เยีย่ตอนซื้อคงไม่ได้ดูให้ละเอียดนะครับเขาแค่อยากซื้อของดีๆมาให้ท่านทั้งสองเลยไม่ได้สังเกตเด็กเขามีน้ําใจแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปพวกเขาก็จะรู้เองว่าควรซื้ออะไรไม่ต้องซื้อแล้ววันหน้าหา ก, กินของผิดสำแดงเข้าไปจริงๆพวกข้าสองคนมีต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในมือพวกเจ้าหรือท่านผู้เทยวนโบกมือและอย่างรําคาญไอ้พวกสวะหยวนจีเ้เย่กำมัดแน่นข้างลําตัวกับฟันกรอดสองสามีภรรยาหยวนเพิ่งจะมารู้สึกตัวเอาตอนนี้เองว่าหลี่หวานกําลังช่วยพูให้หยวนเศร้าเหิงอยู่นี่นา ที่เศร้าเหิงคะพี่บอกว่าช่วงก่อนปีใหม่พี่รีบปรับมาอยู่เป็นเพื่อนท่านปู่ท่านย่าจนลืมของไว้ที่บ้านเลยนะคะพ่อหลีหวันพูดจบพวกเขาถึงได้สังเกตเห็นว่าตอนที่ทั้งสามคนมานั้นได้ถือห่อของเล็กๆมาได้เป็นตําราเรียนของหยวนเศร้าเหิงที่ลืมไว้ที่บ้านซึ่งต้องใช้ตอนเปิดเทอมหยวนเศร้าเหิงเหลือบมองแวบหนึ่งลืมไปเลยไม่เป็นไรคะ่ะหลี่หวันยิ้มออกมาจากนั้นก็เอ่ยต่อว่า ท่านปู่ยวนท่านย่ายนข้ตอนนี้พี่ชายหนูเรียนด้านการเงินมหาวิทยาลัยแต่ละคณะก็ต่างกันไปคณะที่เขาเรียนค่อนข้างยุ่งมากแม้แต่ช่วงปิดเทอมก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีไม่อย่างนั้นจะปลีกตัวมาอยู่เป็นเพื่อนพวกท่านไม่ได้เลยคะ่ะอึ้งคนหนุ่มสาวก็ควรทําสิ่งที่คนหนุ่มสาวควรทํายุ่งหน่อยก็ดีดีกว่าออกไปเที่ยวตเตะเสเพลข้างนอกผูห้หญินเท่าหยวนเอ๋อกระทบกระเทียบออกมาประโยคหนึ่งท่านแม่ทําไมท่านถึงพอแล้วกับข้าวทาเสร็จหรือยังทําไมยังไม่เริ่มกินข้าวอีก ฮูหยิงเท่าหยวนตัดบทลูกชายคนรองแล้วหันไปถามแม่บ้านเรียบร้อยแล้วข้เริ่มทานได้ทุกเมื่อเลยค่ะเสี่ยววันเดี๋ยวจะมานั่งค้างค้าข้ า, ขานะผูห้หญิงเท่าหยวนเอ็นดูหลีหวันเหลือเกินท่านปู่ท่านย่าคะอันที่จริงตามสภาพร่างกายของพวกข้าในตอนนี้ไม่เหมาะจะทานยาแผนปัจจุบันเลยแค่ยาทุกชนิดล้วนมีพิษสาส่วนพวกท่า น, น่าจะเข้าใจหลักการนี้ดีต่อไปก็ไปตรวจร่างกายตามปกติแต่หลังจากตรวจเสร็จแล้วลองทานยาจีนควบคู่ไปด้วยดูไหมคะยาจีนจะมีสรรพคุณในการบำรุงที่นุ่มนวลกว่าคะ่ะ ใช่ข้าก็เคยได้ยินหมอคนอื่นพูดถึงเหมือนกันแต่หมอจีนเก่งๆน่ะหาตัวจับยากท่านพูดเถอยวนเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังแม้แต่คิวของศาสตราจารย์เจียงของพวกเจ้ายังจองยากเหลือเกินกว่าจะได้ตรวจกับท่านสักครั้งพวกข้าสองคนต้องไปนั่งรอที่โรงพยาบาลทั้งวันมันเหนื่อยเกินไปไม่ไหวหรอกเรื่องนี้ง่ายมากคะ่ะหลี่หวานยกยิ้มมุมปากหากพวกท่านอยากให้ศาสตราจารย์เจียงตรวจเมื่อไร่บอกหนูมาคําเดียวหนูจัดการให้ได้ทันทีคะ่ะเราไม่ต้องไปนั่งรอที่โรงพยาบาลให้เสียเวลาหนูจะนัดให้ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์สะดวกมากคะ่ะ ตกลงเจ้าพูดเองนะท่านผู้เทาหยวนไม่คิดว่าหลี่หวานจะรับปากอย่างรวดเร็วเช่นนี้หากทุกครั้งที่ตรวจร่างกายสามารถให้ศาสตราจารย์เจียงเป็นคนจัดยาให้ได้นั่นคงจะดีเยี่ยมไปเลยแน่นอนว่าหนูพูดจริงค่ะเหอศาสตราจารย์เจียงท่านเป็นถึงระดับปรมาจารย์ในวงการแพทย์แผนจีนเจ้าบอกว่าอยากให้ตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ตรวจอย่างนั้นหรือหน้าเจ้าจะใหญ่เกินไปหน่อยมั้งอารองหยวนเบะปากเห็นได้ชัดว่าไม่เชื่อคําพูดของหลี่หวานเจ้า ท่านผู้เฒ่ายวนรำคาญลูกชายคนรองที่ชอบขัดคอพูดจาดีๆอยู่แท้ๆทำไม่ต้องมาสาดน้ำเย็นใส่กันด้วยไม่เป็นไรเขาวันนี้เราก็ทำได้เลยหลีหวานไม่ได้โกรธนางยังไม่ทันได้ทานข้าวก็ขอตัวไปโทรศัพท์ก่อนสายนิโธต้องไปหาศาสตราจารย์เจียงเริ่มจากกล่าวสวัสดีปีใหม่ท่านผู้เฒิก่อนแล้วถามว่าวันนี้ท่านมีธุระอะไรหรือไม่หากไม่มีเดี๋ยวจะให้องค์พระขับรถไปรับท่านมาที่นี่สักเที่ยวศา ส, สตราจารย์เจียงได้รับโทรศัพท์จากหลีหวานก็รู้สึกดีใจไม่น้อย อย่างน้อยนังเด็กคนนี้ก็ยังนึกถึงเขาอยู่บ้างทว่าพอฟังจบถึงได้รู้ว่านังเด็กนี่มีจุดประสงค์แอบแฝงเฮือกจะให้ข่าไปก็ได้นะแต่วันนี้เป็นวันที่สองของวันตรุษจีนเจ้าจะให้ข่าไปตรวจคนแค่เนี่ยนะศา ส, สตราจารย์คะท่านไม่ได้อยากได้บบหิมะร้อยปีหรอกหรือคะหนูมีวิธีช่วยให้ท่านได้มันมาครองนะคะหลีหวันลดเสียงต่ำลงพลางเอ่ยกับปลายสายรีบเอารถมารักข้าเดี๋ยวนี้เลยรับทราบค่ะ